คน โ, โมทนาสัตุการในท่านสาธาชนทั้งหลายพระสูตรที่จะนำมากล่าวในวันนี้เรียกว่าพรมมสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพรมของบุตธธิดาเป็นธรรมะปฏิบัติแนวหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ตัวบุคคลที่มีอยู่ในโลกเนี่ย มาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการทัอน์ปียันที่บอกไว้ว่าถ้าเราจะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะโดยการมองจากรูปธรรมก็าหานามมาทำแล้วก็เข้าหารูปธรรมตามโครงสร้างของพรัตนาตรัยหรือแม้จะมองจากที่อื่นจะเราเห็นว่าบางทีเราผู้จาคนดี ตามทำไมเขาจึเป็นคนดีเขาก็ทําดีเขาก็พูดดีคิดดีก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากอาการการกระทําทีนี้ก่อนจะเป็นอาการอย่างนั้นมันก็ต้องมาจากธรรมะก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าความดีแล้วก็เมมีความมีการมีคุณความนั้นเป็นนามธรรมการนั้นเป็นอาการประสานกัน ร, ระหว่างนามธรรมกรับรูปธรรม แล้วก็เป็นคนเป็นรูปร่างเป็นความเคลื่อนไหวคนทั้งหลายเพราะแนวคาว่าพรุ่มก็เหมือนกันเราจึงพบคำเหล่านี้ที่ทรงใช้ในแนวปฏิรูปเนี่ยคือปรับนำมาใช้ให้คนเราเป็นซะก่อนที่จะเป็นคือก่อนที่จะตาย เราก็ปรารถนาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่อไรเนี่ยส่วนมากมันปรารถนาก่อนตายหลังตายโอ้เดบังเกิดเป็นเทพบุตรเ ท, ทิดาตั้งอธิษฐานเนี่ยหลังจะตายไปแล้วแค่นั้นนี่ยแต่ทรงสอนในรูปธรรมะคือให้เป็นจะก่อนตายให้เป็นเทวดาจะก่อนตายให้เป็นพรหมจะก่อนตายเพราะการเป็นเราดันที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากความ คือคุณธรรมและการก็คือการทำการพูดก็ลกลายเป็นคนเช่นเราต้องการจะเป็นเทวดาเนี่ยก็เป็นด้วยใจสักกาวามกายก็เป็นคนเนี่ยด้ยใจเป็นเทพจะทรงแสดงธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทพไวหลาชุดด้วยกัน น, นะฮะคือถ้าเราดูองค์ธรรมแล้วเนี่ยมันเยอะ แต่ในภาคปฏิบัติแล้วจับให้ได้สักข้ออย่างอื่นมันก็เกิดเองเรียนรู้กันโดยทั่วไปก็คือริอตปัะปะเรียกว่าเป็นเทวธรรมเป็นธรรมาที่ทำให้คนเป็นเทวดาอีกชุดหนึ่งแสดงไว้ห้าข้อมีศรัทธาความเชื่อศีลการ ร, รักาการจายเรียบร้อยสุตะการศึกษาสดัดสบกวางมาก ระคะความศีรละและก็ปัญญาความรอบรู้เป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาแม้ร่างกายยังเป็นมนุษย์นะฮะแต่จิตใจก็เป็นเทวดาแล้วก็ธรรมะสิบประการคือกุศลกําบทสิบที่เคยแสดงไว้ในสังคารูปปฏิสูตนานแล้วนะฮะ ชุดนี้แสดงเป็นหมดเลยเป็นตั้งแต่มนุษย์เป็นเทพชั้นต่างๆแล้วเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระอาาริยะในชั้นต่างๆจนถึงพระอาหารหันต์ในใช้สิบข้อเพราะตัวการที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านอาการแล้วกลายเป็นคนที่ว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอริยะเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิต เราเห็นว่ากุศลก็บรรจิตการงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่กระพริบปิดในกาไม่พูดเท็มไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเดืดดดอไ ด, ดไหลมันเป็นอาการที่ปรากฏทางกายการทาำวา จ, จาจะเป็นอาการที่ถูกควบคุมไว้โดยสติหรือสัมผััญญาโดยความเพียรพยายามเราคงมีความโลภเราคงมีความโกรธเราคงมีความหลงอยู่แต่ ไม่ถึงก็ทำอะไรไปตามน่าของกิเลสเหล่านั้นแสดงวสภาพจิตมันก็สูงเหนือกระแสอารมณ์เหนือกระแ ส, ะ ก, ะแสะกิเลสที่แรงนะฮะคุณที่แรงแรงพอมาถึงระดับที่เป็นเทวดามันก็ลดความโลภความโกรธความหลงลงไปอีกคุริเป็นเครื่องกั้นจิตแม้แต่คิดก็ไม่คิด โดยสาจิตสานึกว่าการคิดเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราแม้ไม่มีใครรู้ว่าเราคิดไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราคิดไม่ดีอย่างด้ทรงแสดงว่าที่รับไม่มีในโลกการที่บเธอคิดว่าที่รับมีในโลกเนี่ยแม้ใครจะไม่รู้เธอก็รู้ว่าเธอคิดอย่างนี้น เรเกิดความละอายแก่ใจมันคุมไปถึงความคิดมโนสุจริตมันก็มั่นคงขึ้นภายในจิตแน่นอนกิเลสอาจจะยังมีนะฮะมันก็ตกตะกอนอยู่แล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเป็นหมดน ะ, ะในในในชาติปัจจุบันมืความเราเป็นอะไรเราก็ต้องเป็นกันได้ในชาติปัจจุบันโดยสายการชื่นชมในความดี แล้วก็น้อมน้มความดีเหล่านั้นมาเราพึิปฏิบัติพัฒนาขัดเกลา่จิตใจไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระระยะพระยะที่จริงมันคือละมโนทุจริตหมดเรียกว่าหมดสิ้นอสวกิเลสนะฮะมโนทุจริต้ังมีโลกมีโปรดมีหลงก็สุดยอดของกิเลสแล้วมันขั้ากระดับโปรดก็จบกันแล้วมีธรรมะชุดหนึ่งที่ น่าสังเกตเอาไว้ว่าจะปรากฏในที่ต่างๆในมากชุดที่เรียกว่าสัพพุริสบัญญัติคือคำสอนของสัตว์ุรุษหมายความว่าคนดีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วก็สอนแล้วก็สอนไวเ้เพียงสามข้อหมายความว่าเอาอะไรไม่ได้เอาไว้ได้สามข้อ เป็นลักษณะของคนคนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกหลานของครอบครัวเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นคนยุตฝ่ายดีก็ทรงสอนเรื่องการอุปถักต์เลื่องดูมาดาบิดาในฐานะเป็นลูกหลานของครอบครัวสอนเรื่องทานการให้การสงเคราะห์ ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมจะ ต, ต้องเ ช, อ เ, ชอเชื่อมโยงจิตใจเรากับจิตใจเขาไว้สร้างความเป็นมิตรมิตรีกันไว้เลยคือการอยู่ร่วมกันเป็ปกติสุดแล้วก็มีบรนปลาชาหรือบับปลาชาโดยเนื้อหาแล้วมันก็หมายถึงการเว้นความชั่วคือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องบวชนะฮะเดีย๋ยวนี้มีกิจกรรมบวช บทผมไอ้กนผมบ้างคนผมบ้า ง, างอะไรแต่อใดนะฮะอันนั้นก็ดีไปก็เรียกว่าขยับไปีขั้นหนึ่งแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจแล้วความวาใจไม่ไม่คิดบาปวิจาไม่พูดบาปกายไม่ทําบาปนั้นก็คือบรรญัตจารเปลวเว้นบาปโล เ, เว้นความชัว่วที่ทรงจำแนกแสดงประเภทของอุคคลไว้ มีสี่ประเภทแต่ตัวนี้ต้องใช้าออกคือเปลี่ยนคําดะหน่อยเอามาจากคำวมเนกขมะที่เปลว่าออกเป็นการออกจากอำนาจของกิเลสอานาจของอารมณ์แต่เราจะเห็นว่าอารมณ์มันอยู่นอกตัวเราแต่กิเลส ม, มันอยู่ในใจเราเพียชั่ยุ่งนิดหน่อยเพราะทำให้คนบางค น, นไม่ออกทั้งกายทั้งใจ เมื่อวานไปบรรยายที่กระทรวงสาธารณสุขมีในแพทย์ใหญ่ผู้ชำนาญการด้านโรคเอดมานั่งคุยด้วยอามาก็บอกเขาว่าโรคเอด็โรคธรรมาดาวิ่งก็ไปหาเขาเองไม่ใช่วิ่งมาหาเราแต่น้าใจตัวเองซะหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณหมอเขาเห็นด้วยนะแต่ก็บอกพยายามพูดเขาก็ไม่ยอมในจุดนี้ ก็ยอมตายถ้าจะดีกว่ามึงรู้จะว่ายังไงเอาไฟร้อนแล้วยังจับแล้วก็บนว่าร้อนมึงกูดอยากไอ้คืนก่อนก็คุยกับผู้พักษาตอนนี้อารมณ์ผักษาต่องานคืนศาลมันตัดสินก็ดีมันเท่าไร่เขาบอกไปเยอะถต่เาเคยสังเกตไหมถ้าคนรักษาศี่ห้าเนี่ยตารวจอายการศาลไม่มีการทำไม่มีงานทำ เราจะไม่มีคดีขึ้นโรงพินสารนั่นเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจากผิดสี่ห้าทั้งนั้นเพียงแต่ปรกยอยออกไปเรื่อยแต่เป็นเรื่องของทรัพย์เรื่องของชีพิตเรื่องของทางเพศเรื่องของการพูดเรื่องของสิ่งเสพติดเรื่องขาดสติดมันก็อยู่ในแวดวงสี่ห้าในการผิดสี่ห้า ซึ่งก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าพวกเป็นนักพโมทธรรมะเขาก็เห็นก็เข้าใจคนโถดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนั่นคือเราจะเห็นว่ามันก็ปรับที่ใจพอปรับที่ใจแล้วปัญหาอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องปรับเพราะใจที่มีหลักเนี่ยมันจะวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้เองก็ตำนองลคล้ายกับเรามี ไฟสองทางเดินเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับถนนมันแต่เราเลี้ยวเราหลบเราเก้าวเราเหยียบไปได้ตามต้งควรแกร่กรณีนั้นนั้นแต่ทีนี้พวกกายไม่ออกใจไม่ออกเนี่ย ม, มันมันมันมืดก๋าเมื่อก็โจรลงไปเต็มตัวีความเป็นเกดตัวจัดนึกถึงตัวเอง ไม่ขาดความอ้เฟื้อที่จะนึกถึงคิดถึงคนอื่นไม่ว่าวิกฤตน้ำวิกฤตธรรมชาติอะไรต่างๆเนี้ยเราจะเห็นว่ามันก็มาจากอาการแนี้คือใจไม่ยอมเป็นก็ทำให้การกระทำการพูดก็เป็นไปในลักษณะเพื่อตัวเองหรือเพื่อพวกตัวเองเราจะมีคนที่สร้างปัญหาเยอะ อีพวกหนึ่งเาเรียกว่ากายออกแต่ใจไม่ออกอย้นที่บอกแล้วนะคว่ากิเลสมันอยู่ที่ใจกายเราจะหลีบไปอาจจะยุ่งอยู่ในป่าไปนั่งในถ้าไม่มีอะไรเลยแต่ใ จ, จใมันก็คิดนะ่งนะใจมันอยู่ในเมืองอยู่ตามบาทํ า, าครับตามอะไรแต่ไรอยู่ที่คนนั้นคนนี้คนโน้นใจมันก็ไม่สงบอยู่ที่เงินอยู่ที่บ้านอยู่ที่รถอยู่ที่เรือน ใจมงนคอยคว้าวัตถุ ก, กรรมไปได้ทั่วโลกเดืทั่วแสงโกฎจั ก, กรวาลเ น, นี่ยทําไปอย่างนี้ก็ถือว่าเว้นในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่ในเนื้อหาก็ยังไม่ได้เป็นอีกอ่างหนึ่งนั้นเรียกว่ากายไม่ออกแต่ใจเป็นออกหมายถึงว่าเราอยู่ท่ามกลางแวดวงของอารมณ์ทั้งหลายที่มี ย, ยั่วยากยั่วยู่วยรัก ย, ยั่วยจางยีเนี่ย แต่เราก็สมนวนระวังใจเราไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจอารมณ์โบนั้นความเยือกเย็นความสุขความสงบมันเกิดขึ้นที่ใจนี่คือเนื้อหาไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญว่าชาวบ้านเราทุกๆคนเนียก็สามารถที่จะใช้จุดนี้ได้คือ ง, งดเว้นบาปในจุดนี้ไล้มันแก้ปัญหาเฉพาะที่ไก เราก็ค่อนข้างสับสนในการปฏิบัติมันดูแล้วคล้ายๆว่าครูบาอาจารย์จะประสิทธิ์ประส์นเสกเปล่าให้ได้ยังมีกระบวนการไล่ลาพระอรหันกันมากมายแต่ก่อนแต่จริงทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราครูเจ้าเองอยังไปขัดเกลากิเลสได้ใครไม่ได้นอกจากก็ขัดเกล้าเองแตจริงได้บอกทางให้ โดยเนื้อหาหลักจริงๆสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมาความออกทั้งกายทั้งใจแต่คนทำได้จริงๆมันก็เป็นพระอริยะแล้วมไม่ใช่สามัญชนนี้ก็คือก็คือหลักที่กล่าวไว้โดยสรุปเพียงสามข้อแต่ข้อที่จะเน้นเป็นข้อสังเกตในที่นี้ก็คือมาตาปิตุปทานคื่มันปรากฏมากได้เกินถือว่าเป็นธรรมะของโลก ในสมัยพุทธกาล้มีการหนึงหน่งที่พระเจ้าเล่าให้พระฟังลูกไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อแม่รอให้เทวสเซภเนจรแม่เองก็สงสัยวิตอนตัวเองเป็นลูกเนี่ยก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแต่พอตัวเองเป็นแม่เขาลูกไม่เลี้ยงเลยสงสัยว่าธรรมะคงตายไปจากโลกแล้วตายก็เผา การทำพิธีชาปนกิจธรรมะเด็กกตัญญูกตวิธีเด็กร้องจะเป็นการใหญ่ะนะอันนี้ก็คือก็คือหลักเป็นหลักโลกโลกมันก็สืบต่อกันมาอย่างนี้พระเจ้าจึงจัดเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าหาได้ยากไว้สองฝ่า ย, ยาที่เราทราบกันคือบุปการีที่ทําอุปการะ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ตรากตราจริงๆวางนิจรจริงๆแล้วก็มีคนกนตัญญูกตวเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นฐานโลกเลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเรื่องคนใดคนหนึ่งแต่ว่าในชีวิตคนเราแต่ละคนมันดาบิดาก็ถือว่าเป็นฐานให้่รุงนี้จะเป็นวันพ่อของชาติ วู้วากันปีละครั้ง12สิงหาวูวาทีหนึ่ง5ธันวาวู้วาทีหนึ่งแล้วก็เงียบแต่ก่อนหน้า น, นี้ถ้าท่านอ่านข่าวสือพิมพ์สองวันครอบครัวชวนกันฆ่าตัวตายหมดทั้งบ้านวันนี้ก็มีอีกละที่เชียงใหม่วานก็มีลูกเล็กๆซึ่งไรเดียงสานถูกฆ่า พ่อแม่เองก็ฆ่าตัวตายก็ไม่รู้อะไรแล้วตอนไหนมันเกิดวิปริตอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ะละคนก็ตายไปแล้วคือแสดงถึงการขาดจิตวิญญาณของความเป็นในความไม่พร้อมที่จะเป็นเมื่อขึ้ม่เป็นข้าวมาขาดจิตวิญญาณมันก็เป็นดีไม่ได้เพราะกันจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นมีความชื่นชมมีความภาคภูมิมีความรับผิดชอบในสถานะที่ตนเป็นเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันค่อนข้างจะท่วนกระแสกิเลส ข, ของคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างฝัังว่าความมีความเป็นนะการกระทาเนี่ยความมีเนี่ยมันเกิดจากการมาตัญหามีสต๊อกอยู่ภายในใจเยอะเลยอยากมีกันใหญ่ ความเป็นมันเป็นภวะตันหาก็อยากเป็นกันใหญ่จะมาแย่งกันเป็นแล้วฆ่ากันเพื่อจะได้เป็นอะไรแต่ว่าการทำนั้นเป็นวิริยะือความเพียรมันเป็นกระแสธรรมจะต้องทวนกระแสความเห็นเก่ยตัวความเกียดคร้านความติดสุขการอ้างเล่ต่างๆไปได้จึงจะใช้ความพยายามได้ เพื่อจะได้เป็นดีแล้วมีในทางที่ถูกชี่ควรเราจะเป็นก็เป็นอย่างถูกต้องก็มีความรับผิดชอบได้ในจุดที่เราเป็นทีนี้เราต้องการมีต้องการมีเมื่อมีทุกขั้นตอนของการมีเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสร้างความคือตัดใจือสร้างความระลอนใจแต่ถ้าเกิดขาดจิตวินญาณเหล่านี้มันก็มีปัญหา ปัญหาบางทีก็มากมากในพระมสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงประรูเป็นอัตยาศัยนะอย่างที่เกิดบอกว่าพระสูตรที่ทรงแสดงนั้นบางทีเป็นอัตยาศัยของปรุงเองมีพระ ป, ะประสงค์จะสอนธรรมะกลุ่มนี้บางทีก็ดูคนคนคนนี้จําเป็นจะต้องฟังธรรมะข้อนี้ก็ทรงสอนก็เรียกว่าปรัชญาติยาคือดูอัตยาศัยของผู้ฟัง บางทีมันก็มีคนถามปัญหาหรวงก็เทศก็สอนบางทีมันมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ดึงเรื่องเหล่านั้นเข้าสู่ธรรมะปันธรรมะที่เกิดขึ้นจากอัตยาสัยของพระองค์จึงถือว่าเป็นตัวหลักที่วางไว้เป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในด้านต่างๆเคยจะถามหรือไม่ถามแต่นั้นคือหลักสาคัญ พระาต้องชี้แจงแสดงแก่โลกให้เกิดความเข้าใจเราสั่งไปใจความว่ามันบุตรทิดาทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในบ้านเรือนใดในบ้านเรือนของบุตริดาเหล่านั้นแหละมีพรมมีบุรภาจารย์มีอหุนยยะแต่เพราะประสูนนี้ใช้คำสามคำแต่ในที่อื่นก็ส่วนใช้คำอย่างอื่นอีกมาก ความเป็นพรหมก็ดีความเป็นบุรพาจาร์ก็ดีความเป็นอรหันก็ดีอุณยะก็คือพระอรหันนะอาหุนโยภาหุนโยนะฮะหมดสังเกตุแล้วมันก็อยู่ที่จิตใจของท่านไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของท่านอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยรูปร่างท่านก็คงเป็นคนอยู่นะแต่ว่าจิตใจของท่านเป็นพรหมจิตใจของท่านเป็นบุรพาจาร์ ใจของท่านเป็นพระอริยะอย่างน้อยก็อริยะสาหรับลูกซึ่งจุดนีข้ข้อที่น่าจะมองมากก็คือว่าจะเราประรบวันพ่อของชาติในพรุ่งนี้เนี่ยคือเรามักจะพูดถึงลูกที่ให้สำนึกถึงคุณของพ่อแม่และแสดงความกตัญญูกตวเวทีออกมาด้วยประการหนึ่ง โดยเราลืมไหมว่าไอคนที่เป็นพ่อซึ่งให้ลูกเราลึกถึงคุณนะ่ะก็เป็นลูกอยู่ด้วยเมื่อไปจับคู่กับปูกบป่กับย่าทั้งเด็กมันก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองด้วยวันพ่อของชาติรวมนึกวันแม่ของชาติด้วยนะฮะเพราะคุณธรรมเดียวเยวกันว่าในฐานะที่เราเป็นแม่เนี่ยภารกิจของความเป็นแม่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นแม่ ยกย่องสืบเสริญพระคุณกันไว้อนเนกอันนันจนไม่อาจจะนับจบะมาณได้ดูคุณเหล่านั้นเรามีอยู่ภายในใจจริงหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องพยายามรักษาไว้มันก็ดูว่าสมบูรณ์ได้ยังแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็เพิ่มพูนขึ้นถ้ามีความบกพร่องก็แก้ไข ป, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเพื่อให้สมแก่สถานะที่ผู้เจ้ายกจ่อง ท่านาบอกว่าท้าสกะเทวราชเวลาท่านออกจากวิมานท่านต้องไหวนะฮะจะถามไหวใครไหวมารดาปิดาไหวลูกกิกรันยูมาตรีเทพบุตรถามว่าท่านไหวใครท่านบอกไปไหวคนที่บูชามารดาปิดาไหวท่านที่ทำหน้าที่มารดาปิดาี่เดีวรืิีเคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ที่เจ้าเองไปยกย่องในจุดนี้เพราะงั้นอนุสติตรงนี้ก็ทสงสอนในแนวอนุสติมีการตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็ดูตัวเองแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเองทีนี้ถ้าหากว่าในฐานะที่เป็นลูกไม่เชื่อมตัวเรากับพ่อแม่นะฮะเราก็เป็นลูก เราสามารถเป็นแบบให้เกณลูกได้ไหมเราจะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเผยแผ่ศีลธรรมในการสอนศาสนาในการอะรเนี่ยคือสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านมีแบบมีพรพุทธเจ้าเป็นแบบมีพระอริยเป็นแบบประสุบาสิกาก็มีเป็นแบบนาวิสาขาเป็นแบบของบาิกาอนาทะบิดนิกเศรษฐีก็เป็นแบบของประสบมันมันมันมีแบบให้ยึด แต่วเรามันค่อนข้างจะขาดแคลนไอแบบอย่างตรงนี้ที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจะต้องอยากจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยากจะทำอย่างที่ท่านทำโดยการทำอย่างที่ท่านทำนะแต่ก็มีอย่างที่ท่านมีได้นะครับในในโอกาสที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นและการที่ เราจะสืบต่อธรรมะของโลกชุดนี้ไว้ให้ได้พอแม่เองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของลูกที่ดีแสดงต่อปู่ย่าของเด็กต่อตายายของเด็กในฐานะที่เป็นลูกที่ดีมันจะง่ายต่อการสอนและคำสอนจะมีค่าจะมีน้ำหนัก แต่ถ้าเราสอนอย่างหนึ่งแต่เราทำอย่างหนึ่งสอนไม่ลูกพูดคำหยาบกับเราแต่เราพูดคำหยาบกับปู่ย่าของเด็กตายายของเด็กมันก็ยากที่เราที่เราปลูกฝังอะไรกันไม่ค่อยได้เนะี่ยเพราะว่าแบบอย่างต่างๆที่มีอยู่มันขัดแย้งกับในสภาพชีวิตจริง วัส่อต่างๆที่เด็กเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการทำเพื่อตัวเองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้จากสังคมเป็นหลักแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่ตนให้จากสังคมเป็นเกณฑ์อย่างพระพุทธเจ้านั้นสมมองไปถึงสิ่งที่พระองค์จะให้แก่สังคมอย่างที่รับสั่งแก่พระหันทั้งหลายเมื่อส่งไปเผยแผ่ศาสนาถือว่า เตื่ตั้งหลายจงเชื่อใริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นกา ร, กรุาเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีคําถามสักคำเดียวนะฮะว่าพระองค์จะได้อะไรพระสงค์จะได้อะไรแต่ถามว่าจะสอนอะไรจะสอนแก่ใครจะสอนที่ไหนจะสอนอย่างไรสอนไปแล้วก็วจะได้รับประโยชน์อะไร วันแบบตัวนี้มันสร้างความศรัทธาสร้างความประทับใจให้เกิดสนใจที่จะเป็นที่จะทำอย่างที่ท่านเป็นวันแบบมามรฐานตัวนี้คนที่เป็นพ่อแม่ซึ่งฐานหน้หนึ่งก็คือลูกเนี่ยก็ต้องทำารุเนแบบอย่างให้แก่ลูก ค่าตามสูตรเนะฮะที่ที่โบราณนั่นพูดดูวัดดูฐานดูสมภารดูลูกวัดดูดูดหางดูนางดูแม่ดูแน่ดูถึงยายมันเป็นสูตรอย่างเง้ยมันเป็นภาพสะท้อนทยอยกังไปเป็นคลื่นเหมือนกระแสน้ำเมือนอะไรทั้งหมดอะ่ะสรุมันเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลไปเลยสะท้อนซึ่งกันอะไรกันระหว่างความการคนอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นก็คื อ, ค, อคือภาพสะท้อนกลับไปกลับมากันได้ เราทำยังไงจึงจะได้แบบตรงนี้ความเป็นพรมเรื่องใหญ่นะฮะพรมที่ใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่าลืมว่าใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นใจที่มีความรุนแรงเป็นใจที่มีความอาคาาตยาบาตเมื่อว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ตาเ น, นะ่ะใจที่มีความอาค่าตยาบาทรุนแรง อะไรที่เป็นขัดขวางตัดกรอนเป็นอุปสรรคต่อตัวเองแล้วพร้อมที่ต่อสู้ทําลายล้างและใจที่คิดเ ป, เปเลเี่ยนเรารองสังเกตว่าความคิดเปลี่ยนเนรียนรุนแรงจนจนกลายเป็นภัยธรรมชาติที่ภาคใต้หรือแม้แต่ส่วน ใ, นใดตัดไม้ทําลายป่ายังยังเวลาเนี้ยเราดูแล้วไม่น่าจะตัดไม้ทาลายป่ากันมาก เราจับไม้เถื่อนได้ทุกวันมันก็เป็นการยืนยันว่าคนนั้นมองสิ่งทั้งหลายที่ตัวเองเป็นผ่านทําตัวเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าของสปปรรพสิ่งกฎเกณฑ์อะไรห้ามไว้ก็ไม่ยอ้อมตัดไม้ทําลายป่ามากมายใจก่อแต่บนสุดท้ายมก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเอง อย่างหนึ่งก็คือความริษยาเวลาคนอื่นก็จะเดิญก้าวหน้าประสูความสมําเร็จในความรุ่งเรืองทนไม่ได้นะต้องการจะได้ต้องการจะเป็นต้องการจะมีเสียเองคนอื่นก็ได้คนอื่นก็มีคนอื่นก็เป็นเราไม่ได้เป็นเราก็ริษยาอย่างหนึ่งก็คือใจมันลําเอียง ก็แข่งไปด้วยหน้าความรักความสั่งโดยเฉพาะในเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเกี่ยวกับมีชีวิตเรามีฐานความรักความชั่งอยู่เพราะการชี้ผิดชี้ถูกในกรณีที่เราไม่เกี่ยวข้องนี่ี้ง่ายแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องคนนั้นด้วยความรักความสั่งแล้วเนี่ยาอายุติธรรมได้ยากเพราะใจมันแว่ง ก็ได้ความเป็นพรมเนี่ยคือถ้าเรามองจากสายรถก็คือใจที่ไม่มีความอาฆาตพยาบาทใจที่ไม่มีความคิดเปลี่ยนเปลียนใจที่ไม่มีความริษยาและใจที่ไม่มีอาคติซึ่งไม่ได้หมายความไม่มีทั้งหมดนะนะคงมีเ<อ>พราะอาคติพวกกิเลสพวกนี้มันกิเลสลึก เพียงแต่ว่าไม่มีอาการมันก็จะมีความอยู่ภายในใจเราอาจจะมีความโกรธเราอาจจะมีความเบียดเบียนเราอาจจะมีความริษยาเราอาจจะมีความลำเอียงแต่เราไม่แสดงอาการออกมาไม่พูดไปด้วยความอาคาดพยาบาทไม่ทําไปด้วยความอาคาตพยาบาทหรือว่าเบียดเบียนหรือว่าริษยาหรือว่าลำเอียงจริงๆรกิเลสไม่หมด แต่เราคุมได้เพราะในกรณีเนี้ยทําใจต้องรักษาความเป็นกลางความเป็นธรรมการวินิจัยความเป็นกลางเป็นธรรมจึงไม่เอาเราเป็นฐานแต่เอาเกณฑ์มาตฐานในเรื่อง น, น, นั้นเป็นฐานผู้เรื่องกฎหมายก็กฎหมายเป็นฐานมาเทียบกับการกระทําพูดถึงธรรมะก็ธรรมะเป็นฐานมาเทียบกับการกระทําการ ก, าการะทําอย่างนี้ธรรมะว่าอย่างไร ถ้าถูกก็ถูกตามธรรมถ้าผิดก็ผิดตามธรรมเอาวินยัยเรื่องศีลก็เอาศีลเป็นเกณฑ์มาตรฐานประเกณมาตรฐานมันไม่มีคนมันมีการกระทามีเขากระทาแล้วก็เหตุผลที่ให้มีการกระทาใครทาก็ได้นะใครทก็ได้พอไม่มีคนกระทาใจเราก็ไม่เอียงนะแต่เราก็อดเอื้อมไม่ได้ เพราะนั้นความเป็นพรมในจุดนี้ถ้าเรามองตัวรถมันก็มองตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันตัวรถอีกตัวหนึ่งซึ่งใกล้ๆคล้ายๆธรรมะซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะนั่นก็คือความรักคำดวลบาลีท่านใช้คำว่าเปมะแรียว่าความรัก อีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากียรติตเะเปมะแปลว่าความรักที่มีความเป็นครอบเป็นครัวซึ่งเราเห็นว่าความรักในฐานะครอบครัวยันสามีภัญญาอยู่กันจนเฒ่าจนแก่เนี่ยในเรื่องทางเพศมันลดลงไปแต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่จะต้องประนีประนอมจะต้องประสานประโยชน์เป็นเพื่อนกนันรักษาสถาบันครอบครัวไว้ให้ได้แล้วต้องมีการตอบสนอง ราคาการตอบสนองและจะเกิดโทสะเพรา ะ, ะความรักให้เราสังเกตพระเจ้าไม่ค่อยสอนเพราะความรักนั้นจะประรบความสวยงามความประนีตกำหนดกำหนดแบบกามคุณนะฮะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับจ้องจึงเกิดรักจึงเกิดความยินดีแล้วถ้าสิ่งเหล่า น, นั้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจ เกิดความเบื่อหน่ายลักษณะลำคาญนะนะฮะไม่ใช่เบื่อหน่ายทายกำหนดแต่เบื่อหน่ายลักษณะลำคาญไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากคุยไม่อยากเกี่ยวข้องแต่หมายความไปคว้าตรงอื่นเกิดวิภาทตัณหาในจุดนี้แต่เป็นกรากรการ ม, มาตัณหาในจุดอื่นอีกอย่าหนึ่งคือความโศกความโศกเมื่อเห็นคนอื่นประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์ กืระนึกไม่ออกนะฮะบางทีคนตกน้ําตกใจยืยนร้องไห้อย่างนั้นเองพอดตายทาไม่ร้องไห้เสียนะฮะก็ช่วยแทนยืนร้องไห้ตกใจปุ๊บหน้าหายไปเลยข้างน้นก็ตายข้าขงบนก็ร้องไห้เรารู้แล้วคล้คายๆธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะโศกะเป็นทุกข์นะฮะโศกะเป็นทุกข ก, กษัตริย์ธรรมะนั้นเป็นมรรคกษัตริย์ แล้วก็ความรัก ก, กี้เป็นสมุทัยสัตว์ความรักเนี่ยมันเป็นสมุทัยสัตว์ปิประการหนึ่งก็คือการต้องการมีส่วนแบง่งต้องการมีส่วนร่วมอย่างพรุ่งนี้เนี่ยพระเขามีเลื่อนธรรมศาสตร์อะไรกันก็ไปแสดงมุทิตาจิตกันใหญ่ลึกๆเนี่ยไปขอของแจกของจำรวยแจก เราสังเกตดูใจเราได้นะคบางทีไปในงานแต่งงานอะไรต่ออะไรไปมุติตากับเขาพอไม่มีของจารวยชักยั่วงานทั้งใหญ่ไม่เห็นมีอะไรแจกนั้นแสดงว่ามันไม่เชิงมุติตาเราแต่เรานึนกไม่ความมุทิตาเพราะจริงๆเรามีเจตนาที่แฝงเร้นต้องการจะมีส่วนร่วมในการได้ของท่านเรานั้นเราได้อย่างที่ท่านได้ไม่ได้ก็ขอส่วนแบ่งหน่อย เพื่อนได้ขึ้นเงินเดือนเราไม่ได้ขึ้นขอให้เพื่อนเลี้ยงหน่อยมุติตาเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงมากกว่าคั้นที่ขึ้นที่อีกนั่นคือขอมีส่วนแบ่งเป็นความระมียดระวมงทางจิตตรงนี้มันเป็นละเป็นโลภะนะฮะมันเป็นโลภะมันไม่ใช่เป็นมุติตาแต่เป็นโลภะแต่ถ้าเพื่อนเลี้ยงก็ดีเพื่อนไม่เลี้ยงโกรธเห็นไหมเป็นโทสะ อีกประการหนึ่งก็คือใจที่ไปกำหนดคือความรักความชังมันก็เป็นตะกรใจไปนสนิมใจที่ใจมันยึดไว้ทำให้การเจริญุพรมิหารธรรมมันเกิดสะดุดตรงนี้ท่านตัณเห็นว่าเป็นอาการอาการใกล้เคียงกับธรรมะคือดูแล้วคล้ายๆธรรมะ แต่จรงไม่ใช่ธรรมะธรรมะมก็มาในรูปของเมตตาซึ่งทําหน้าที่กระจัดความรักและกระจัดความพยาบาทเมตตานั้นมุ่งอภิบาล ท, ที่เราแผลเมตตานะฮะลองลองสังเกตข้อความดูว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อเราแต่ตั้งหลายจงเว้นผู้ตั้งปวงจงเว้นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทธร้ายกันให้แต่ไดชีวิตอยู่ดีมีสุขเราไม่ต้องการอะไรเพื่อเรา แต่เราต้องการเห็นเขาเป็นอย่างนั้แต่ทั้หลายทั้งปวงจังหลุดพ้นจากทุกข์เิดนั่นคือการุณาคนอื่นก็มีทุกข์เราก็ต้องการให้เขาหลุดพ้นจากทุกข์ถามเราได้อะไรได้ช่วยได้ตั้งความรู้สึกที่ดีเหมือนกับพระเจ้าทรงพระไปเผยแผ่ศาสนาได้ทำงานได้ช่วยเหลือเราเกิดความสุขจากการได้ทำงานได้ช่วยเหลือได้สั่งสอนได้ชี้แจงได้แนะนา เขาก็ได้ความสุขที่พ้นจากความทุกข์คนที่ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าเราเป็นมุติตาเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขตลอดไปเขาอยู่ดีมีสุขแล้วขออยู่ดีมีสุขนานไม่ต้องพ้นจากทุกข์เราเขาพ้นมาแล้วขออยู่ดีมีสุขตลอดไปก็เขาได้อีกเราไม่ได้เราได้แต่ทำผลที่เราได้เป็นได้ทางใจแต่ผลที่เขาได้นั้นได้ในทางวัตถุด้วยและทางใจด้วย อุเบกขาก็มีลักษณะอย่างนีน้เป็นการมองปัญหาเฉพาะกรณีมีปัญหาบางอย่างนอกวิสัยเลยใช้พื้นฐานความคิดยินดียินร้ายมาเป็นเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ก็ทำใจเป็นอุเบกขามองในแง่ของกระบวนการแห่งกรรมคือเราจะบรรเทาทุกข์ใจเขามีความสุข จะยังยืนในทรัพย์สมบัติมันไม่ได้นะฮะเช่นว่าคนญาติพี่น้องเราติดคุกหรือว่าสตูเราติดคุกเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยก็ทําใจอยู่ด้วยอเบเกขาธรรมะเหล่านี้เมื่อถึงจุดหนึ่งทําไม่ได้นะเมตาก็ดีกรุณาก็ดีมุติตาก็ดีทําไม่ได้ใจจะมาอยู่ที่เบเกขาหมดใจไม่ได้เปลี่ยนเป็นโทสะไม่ได้เปลี่ยนเป็นโทสะไม่ได้เปลี่ยนเป็นความสุกไม่ได้เปลี่ยนเป็นความขับแค้น ได้จะกลับมาเป็นอุเบกขาไม่กว่า ม, มันาจากธรรมะสู่ธรรมะจากธรรมะสู่ธรรมะจากธรรมะสู่ธรรมะแต่ถ้ากิเลสแล้วจากกิเลสสู่กิเลสล้วก็เพิ่มความกระชั้นเฉี่ความเข้มข้นของกิเลสขึ้นไปเพราธรรมะเหล่าเนี้ยต้องมีอยู่ภายในใจของผู้ที่เป็นแม่เป็นพ่อ อยู่ในใจมันเป็นความเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาเป็นความเบิกานต้องมีอาการอาการสะท้อนมาจากการกระทําจากการพูดจากการปฏิบัติตนต่อลูกให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่มีคุณธรรมเหล่านี้ลูกสัมผัสได้สัมผัสเป็นความอบอุ่นความเยือกเย็นความเชื่อมั่นความศรัทธาอะไรต่างๆหลแต่มากมาย แล้วพ่อแม่ก็เป็นพรหมด้วยด้วยใจด้วยและด้วยอาการที่ปรากฏด้วยแต่ยังไม่ใช่ด้วยกายนะฮะกายยังไม่เป็นก็เป็นปูจเนีบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันนี้ยังต้องเป็นสถาบันหลักของสังคมตลอดไปนะฮะตราบที่มีโลก เห็นว่าสถาบันที่เป็นคุณอุปการต่อสังคมปัจจุบันมันก็มีความโน้มเอียงในทางเปลี่ยนแปลงไปคือเอาเงินเข้ามามีอิทธิพลครอบงำไว้มากเกินไปการศึกษาก็เงินมากการรักษาพยาบาลก็เงินมากการศาสนาก็ชักจะเงินมากกันว่าพระเครื่องแพงจังพอใช้เงินเนี่ยมันมั น, ม, นมันสื่อทางใจน้ำใจเนี่ยมันมันจะจาง เพราะเงินเนี่ยมันค่ามันกลายเป็นค่าที่กำหนดกันแต่ค่าทางน้ำใจเนี่ยมันมันจะมีค่าที่ที่ไม่จำกัดเพราะในศาสนามันเน้นไปที่แนวค่าน้ำใจมากกว่าความเป็นบุรพาจารย์ก็คือการอบรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตรงแสดงว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่แก่บุตรธิดาข้งตน เป็นครูคนแรกที่จะให้การสั่งสอนแนะนำแล้วก็ทำตัวเป็นตัวอย่างความจเจริญเติบโ ต, ตของลูกเมื่ออยู่ที่คนแวดล้อมใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่แต่อย่าลืมตรงใช้คำอย่างนี้นะฮะใช้ว่ากลุ่บุตรกุลธิดาที่อยู่ภายในเรือน ได้มีพรมอยู่ภายในบ้านแล้วมีบุรพาจารย์อยู่ภายในบ้านแล้วมีอนุญาตคือพระหันอยู่ในบ้านแต่สภาพสังคมปัจจุบันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่ากลัวอนาคตยาวๆแล้วจะน่ากลัวเพราะอะไรเพราะพื้นฐานจิตบิญญาณที่มันอยู่ในสายเลือดเป็นพันๆปีเนี่ยสังคมในเอเชียเป็นสังคมเหมือนรังผึ้ง เอเชียทั้งหมดจะอยู่ในรับขนาดนั้นหมายความเป็นครอบครัวเป็นคุ้มเป็นหมู่บ้านที่วงสากันญ า, าติเดียวกันจะถึงพวกจีนที่คุมก็เป็นแท้อะไรต่างๆความรู้สึกปูกพันเยื่อใยในฐานะที่เป็นสายเลือดเดียวกันพี่น้องกันปู่ย่าตายายอะไรต่อะไรก็อยู่กันเนี่ย มันทําให้เด็กมีความอบอุ่นช่วยกันดูแลใจใสระมัดระวังช่วยเหลือให้สติตักเตือนบอกกล่าวแต่เวลานี้เราก็พยายามที่จะแยกครอบครัวไปลอกเรียนวิถีชีวิตแบบพลังโจะเห็นว่าพื้นฐานลึกๆของคนชนชนชาติอเมริกันน่พวกนี้มันเป็นชนที่ไม่มีชาติไม่มีลึกๆ อย้อนไปถึงสองรอกว่าปีก็จบละนอาจากชาติเดิมของเขาทำไมเขาเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่อย่างนั้นเพราะฐานตึกๆึกเนี่ยเขาก็อยู่ได้เพราะเขาเขาโดดเดี่ยวมาแต่เราเราไ ม, ไม่ใช่ลักษณะโดดเดียวเราอยู่กันมาแบบแบบรังพึ่งขนาดใหญ่พอแยกออกไปเนี่ยจะเห็นว่าเด็กวเวลานี้มันก่อนไปไปตรวจแว่นวัดสายตาเห็นเด็ก ตีบังลำปูมานั่งกินข้าวเหนียวกับไก่ ย, ย่างโอเคเด็กกรุงเทพตอนั้นกินข้าวเหนียวกินหมดนะฮสามสี่คนปรากฏเราพี่เลี้ยงเป็นเด็กภาคอีสานกินอาหารคนละหม้อกับพ่อแม่แล้วทีนี้ยุ่งอ่ะเราเห็นว่ามันเปลี่ยนหมดเปลี่ยนลักษณะนิสัยเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปแล้วความเจริญเติบโตเนี่ยจินปัญญาณราไม่ค่อยโตตาม แล้วก็เรียนมากๆก็เรียนอยโทรทัศน์มากซะด้วยนี่คือปัญหาทางศีลธรรมปัญหาจุดเชื่อมโยงทางด้านจิตใจที่เด็กรับความอบอุ่นคนแก่รับความอบอุ่นรับความสบายดูแลความเจริญเติบโตของลูกหลานเนี่ยมันหายไปและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือลูกหลานไม่มีพรหมในบ้านไม่มีวัรผาจารย์ในบ้านไม่มีพระหานอยู่ภายในบ้านมันเคว้งนะฮะไม่มีที่ยึดเนี่ย มันความเป็นบุรพาจารย์ของพ่อแม่นอกจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ของท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแม่ท่านก็คือบุพการีท่า น, นคือปูาาอปชนียบุคคลที่บอกโลกแสดงโลกที่แจ้งเรื่องราวต่างๆสั่งสอนลูกหลานเอาไว้ประการต่อไปนั่นคือความเป็นอาหุนในยะเรื่องใหญ่ อุดายะที่จริงแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยที่บอกไว้นะครับในที่นี้ก็เน้นไปที่พ่อแม่ก็คงมีกิเลสนะครัพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านแต่ลองสังเกตว่ากิเลสเราไม่ได้เกิดกับคนทุกคนเช่นกิเลสราคะความกำหนัดเราก็ไม่ได้เกิดกับคนทุกคนโทสะความขัดเคลืองก็ไม่ได้เกิดกับคนทุกคนโลภะความโลภ ก, ก็ไม่ใช่อยากได้ทุกสิ่ง ความหลงก็ไม่ใช่หลงไปทุกเรื่องมันมีจุดที่เป็นว่างเปล่าจากกิเลสอยู่พความรู้สึกของพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยพื้นฐานโดยลึกๆจริงๆมันมีพลังของพรหมวิหารอยู่โดยธรรมชาติจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สำคัญนะไม่ชื่อเป็นภาษาบาลีท่านเรียกภาษาบาลีเรียกว่าอย่างนั้น แล้ม้แต่สัตว์โดยสารมันมีโดยจิตปัญญาของมันเราเรียกธรรมะว่าเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาเราก็ดูที่ไก่ก็ได้เราจว่าไก่นั้นโอบกุ้มเลี้ยงดูลูกดูแลลูกก็โดยเมตตามีอาหารมาก็เรียกลูกมากินก็กรุณาลูกสบายแม่ก็ดีใจลูกกินแล้วแม่ก็ดีใจลูกวิ่งตายเดินได้ ่ก็วางใจก็เป็นเบคขาเราจะเห็นว่าลักษณะเมตากราณาวเบคขาเขาก็ปรากฏที่ไก่ที่สุนัขที่ที่ที่สัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเขาไม่เรียกเพราะวันไม่มีชื่อจะเรียกสมบัตสัตว์ทนั้นเองแต่อากาในเราเห็นได้นะอากาในีเราเห็นได้มันก็จะทอนกลับไปสู่ความก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์อาจจะเป็นเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ก็ไม่ใช่คุณธรรมอย่างที่มนุษย์มีหรอกแต่มันเป็นปฏิญาตามธรรมชาติซึ่งก็เราก็เห็นว่าเป็นอาการของเมตตาคุณาโมติตาเวคาหมายความสำหรับลูกแล้วเนี่ยกิเลสถึงก็ไม่เกิดถึงเกิดมันก็ไม่แรงนอกจากว่าเพียนๆ เ, เอามากๆติฆ่ากัากานนั่อะไรเนี่ยภาพตรงนี้มันมันจะทำให้การอธิบาย ธรรมะนี่ยากเอามานี่เสียวทุกจีเลยพอข่าวแม่ขายทิ้งเอาลูกไปทิ้งไว้ตรงไหนแล้วเสียวคือเสียวเรื่องเรื่องหนึ่งว่าธรรมะของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเสือมแล้วเสียวเวลาเราไปสอนไปสอนเด็กถามขึ้นมาเลยงงเลยทพูดแม่ทีด่ดบดีเลยยกย่องเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นนาหุเนยยะเป็นพระหันเสร็จแล้วแม่ขายทิ้งทเนียเอา อ่อฆ่าลูกอะไเนี่ยมันมันภาพจริงมันมันมันมันหนึ่งในไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่ทําให้เสียวความรู้สึกไใปนในการาาที่อถาธิบายในการที่ชี้แจงอย่างน้อยก็เด็กก็เกิดเกิดเคลือบแคลงสงสัยเพราะมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายพ่อแม่ที่เป็นพรมจริงๆนะฮะ จิตวิญญาณจริงๆเป็นบุรพาจารย์ในจิตจริงๆเป็นอหุนในยะในจิตจ ร, จริงๆก็มีเยะเป็นเทวดาเป็นมิตรเป็นอะไรต่ระยุยะนะแต่อย่าลืมมาอยู่ภากหนึ่งเนี่ยมันมีเหมือนกันมีตัวอย่างที่เขาอ้างได้มีหลักฐานประจากพยานตอนมาเป็นเด็กเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งก็รุ่นรุ่นเข้าใจว่าเะน้องสักปีสองปีนะเขามาชิงเนี่ยมดขึ้นเต็ม แล้วมั น, ม, นมันเป็นความรู้สึกแต่รออายุเจ็ดแปดขวบมันก็ติดอยู่จนทุกวันยังนึกภาพก็ได้นะทุกวัน เ, เด็กกั น, นี่ชิงแล้วก็นามเพอไปพบมาก็เอาไปเลี้ยงทันชื่อสมภพชื่อสมภพตัวดงแต่นั้นน่าเกลียดมากาดูแล้วไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เกิดขึ้น ว่าในการเป็นอาหุนในยาณเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เองก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองก่อนแต่อย่ให้เขาเรียกว่าเรามีคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่อาุธในยะเป็นผลที่มันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัตินะถ้าเนื่องออกในะสังกคุณเก้าข้อนในห้าข้อนั้นเป็นผลเฉย ตัวหลักจริงๆมันอยู่ที่สี่ข้อแรกหมายความว่าการปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีดีในฐานะอะไรดีในฐานะเป็นแล้วก็ดีในฐานะเป็นลูกของพ่อแม่ดีในฐานะที่เป็นบุตรหลานของตระกูลเป็นภาพจิตสะท้อนสืบต่อ ก, กันมามีกดมีเกณฑ์มีมาตรฐานในการกําหนดบอกกล่าวไปในนั้นเป็นยงนี้ แล้วปฏิบัติตรงตรงต่อตอนเองตรงต่อพ่อแม่ของตอนเองก็มามีสา ม, มีปัญญาก็ตรงต่อสา ม, มีปันดาก็เป็นแบบเป็นเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกปลืออบรมจิตใจตัวเองมาแล้วก็ปฏิบัติเป็นธรรมคือยุติ ด, ด้ธรรมแม้จะมีอะไรขัดแย้งกันแตกต่างกัน สามารถจะไปนิ่กันนอนประนอมกันได้ก็พยายามหาจุดกลางมาประนีประนอมกันแล้วเป็นนาอย่างน้อยก็เป็นนายเหนืออารมณ์กับลูกไม่ใช่อารมณ์กับลูกถ้าบทจะใช้มันก็ต้องใช้แต่ไม่ใช่ไหลไปลมาว่าบางทีมันเอาเกินเกินไปนะโอบกันเกินไปเนี้บางทีสอนเรื่องเลี้ยงลูกเอามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้จะให้ลูกเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรคือต่อไปเด็กเด็กประเภทเนี้ยจะมีปัญหา ไปไปผู้เจ้าทรงใช้คำว่าพ่อแม่เป็นผู้ค่ามาความมาเลี้ยงลูกจนปล่อยประละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ให้เป็นอิสระในการคิดไม่ตีไม่ดุไม่ดา่าผู้เจ้าว่ามันดาบิดาชื่อว่าเป็นผู้ค่าคือข่าอนาคตของลูก แนวการปฏิบัติที่ทสงวางเอาไว้เราแสดงเห็นว่าเราอยู่เหนืออำนาจของกิเลสสมัคลูกนะหมายความว่ากิเลสก็คงมีแต่ว่ากับลูกไม่ใช้มันอยู่ที่เราจะใช้หรือไม่ใช้่นะชีวิตเราส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ใช้กิเลสเท่าไระคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ภายในใจวันๆก็ไม่ได้ใช้กิเลสอะไรเท่าไหร่ใช้ธรรมะไป มันต้องมีลุอำนาจแก่อารมณ์นะจต้องบ อ, อ, อกคนที่มีฐานธรร ม, มาเนี่ย้าคุณลองสังเกตบางวันไม่โกรธครั้งหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งไม่โกรธเลยก็แสดงว่ากิเลสมันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะมันมีมากกว่ามองเห็นคุณค่าของการใช้ธรรมะ ม, มากกว่าก็ใช้ธรรมะ การทำหน้าที่ที่เป็นอาการหมายความว่าความความเนี้ยความมีคุณธรรมอยู่ภายในใจมีจิตวิญญาณความเป็นพ่อแม่มาจนถึงจิตวิญญาณของพระอารหันต์อาหุนยญาก็คือรอบรู้สรุปแล้วคุณธรรมภายในใจเนี่ยคือความรอบรู้ความบริสุทธิ์ใจยางน้อยต่อลูกแล้วก็ความเอตตากุณาที่มีต่อลูกตกลงมันมันมันก็ออกมาอีกฮนะห ม, หมายความว่า ปัญญาความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณานี้เป็นความความรอบรู Demon> ้ความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาก็มาเป็นอาการเป็นการกระทําเป็นการพูดต่อลูกมองลูกด้วยความเมตตากรุณาตัวลูกเป็นที่ตั้งของความเมตตากรุณาแต่หมายความว่าเราก็ต้องมีเมตตากรุณาอยู่ายในใจแต่ไม่งั้นเราก็ออกมาไม่ได้กระสงแสดงในรูปหน้าที่ แต่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว้อย่างหนึ่งว่า น, น้าชี้นี้พูดไว้ห้าห้าข้อทุกแข่งเลยนะว่าใจพิดบดแปกมากๆไม่มีข้อที่หกพูดไว้ห้าข้อเทนั้นเองแต่ถ้าเรามองในเนื้อหาในภาคปฏิบัติแล้วมันก็คลุมมากมายการกองคือไม่ไม่ต้องเอาอะไรไปเพิ่มอีกแล้วขอให้ทำได้ตามตามข้อทั้งห้าที่ทรงวางไว้แต่อย่าลืมว่าเป็นการสะท้อนธรรมออกมาก่อน หรือจะทอในฐานะที่เราเป็นลูกมาก่อนฐานะเป็นลูกก็ทรงวางไว้ห้าข้อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบนั้นคืออะไรก็คือการการกระทาที่เป็นการสอนลูกไปในตัวว่าให้รักกาตัญูต่อพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่ทาต่อปู่ต่อย่าต่อตาต่อยายของลูกนั้นของลูก ด้วยทำกิจการงานของท่านแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านหรือว่าทําการงานแทนท่านจะแล้วแต่กรณีอะไรนั้นแสดงให้เห็นถึงเรามีความสำนึกกระตันอยู่แต่ไม่ใช่กระตันอยู่จนจนถึงกับไปอะไรขายเนื้อขายตัวเพื่อพ่อแม่วันก่อนเนี่ยก็เอามาให้คุยคนโอ้โหคุยยากจังเลยจะอ้างกระตันอยู่ตัวเดียวเอง ไม่ยอมพูดไปพูดมาแกก็กลับมากระตันอยู่ทุกสีทุกอย่างเพื่อแม่เนี่ยทำได้ทั้งหมดมันปลูกฝังกันมาจนเป็นการทําลายมันดาบิดาเป็นผู้ฆ่าไปขอลูกทําอะไรก็ได้นะหาเงินมาให้พ่อแม่เขาเรียกเป็นศัตรูมันดาบิดาเป็นศัตรูและท่านแร ง, นงในสัวชายมาเป็นผู้ฆ่าลูกแล้วดํารงรักษาตระกูลผง มีคนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอยู่มากตสกูลแต่ละสกุลคนคนเดียวอาจจะทํำสกูลให้ดีหรือให้เสียก็ได้เขาเป็นเรื่องจารตระหนึกแต่ละคนจะตระมัดรวังระวั ง, วงตนในท่านมั่นใจว่าท่านตายไปแล้วเนี่ยลูกจะสืบต่อสกูลวงสืบต่อเกียรติภูมิศักดิ์สีทรัพย์ควดกที่พูดรวมๆบางทีจะพูดรวมท่านเรียกว่าอนุญาต ความว่าขนรทมเนียมประเพณีว่าทําแบบแผนจารีกของตระกูลเยอะแยะใหูกสึกต่อได้แล้วเมื่อท่านจากไปก็ทำบุญุทิศกุศลไปให้นี่คือเป็นทั้งการปฏิบัติในส่วนตัวเราเป็ น, นการสั่งสอนลูกและเป็นการรักษาธรรมะของโลกให้หมุนไปได้ เป็นภาพสะท้อนที่ลูกมองเห็นลูกกษณนในฐานะที่เราเป็นพ่อเราก็เอาคุณความดีของเราที่เป็นแบบใช่ปะมาจั้งสอนลูกได้การตั้งสอนก็สงวางไวต้ตอหลักคือเรื่องความชั่วต้องป้องกันห้ามปรามตักเตือนว่ากล่าวชี้แนะโดยวิธีการต่างๆคือสรุปประยให้ลูกทำกับชั่ว วิธีการนั้นทำยังไงก็ได้นะฮะแต่ต้องรู้ดีรู้ชั่วร์พอสมควรแล้วก็สั่งสอนส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกได้ทำความดีนี่เป็นฐานทั้งหมด ต, ตลอดชีวิตเนี่ยเราเห็นว่าปาหณนาะภาวนาพุทธศาสนาสรุปเป็นปารณนะภาวนาปารณาก็คือละชั่วภาวนาก็คือประพฤติีก็จบแล้วต่อไปก็เป็นองค์ประกอบในการ ครองชีวิตเท่านั้นเองนะฮะหมายความว่าให้การศึกษาล่าเรียนศิลปวิทยาการต่างๆตามกาลังความสามารถที่ลูกจะศึกษาได้วิชาการทางโลกนั้นเป็นเครื่องมือในการหากินแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นคนดีอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ วิชาทางธรรมนั้นเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตแล้วก็ใช้วิชาความรู้ทางโลกไปในทางสร้างสารรค์พัฒนาก็จนธรรมะเหล่านั้นมีความลึกซึ้งเข้าไปนจิตจินดาประการต่อไปก็คือตกแต่งให้มีครอบเป็นัวเป็นหลักเป็นทา ง, งความเป็นควา แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เราจะเห็นว่าการมอบทรัพย์สมบัติให้ท่านแนวเดิมเนี่ยมันไม่แปลกเลยแนวหลักแต่แนวปัจจุบันนี่เคยพูดกับพ่อแม่หลายๆคนเขาไม่มอบหมดเขาไม่มั่นใจในลูกมอบทรัพย์สมบัติให้ไเดียวก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ตายนี่นี่แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะเนี่ยมันขาดไป ไม่ขาดที่ใครก็ไม่รู้แหละมันจะขาดแต่ถ้ามีแล้วนี่เรามั่นใจได้เพราะถ้าลูกยังคิดวันนี้คือพรมนี่คือบุรพาจารย์นี่คือมิตรนี่คือเทวดานี่คือพระอระหันต์เราไม่ต้องไล่ล่าพระอระหรันต์เพราะพระอระหันต์อยู่ภายในบ้านแล้วเราก็บูชาพระอระหันต์ปฏิบัติบำรุงพระอระหรันต์ เราได้เห็นพระอาหารหันตุกวันการเห็นเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยมที่เรียกว่าทัศนานุตริยาการฟังคําแนะนําสั่งสอนของท่านก็เป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าสวรรณานุตริยะการดูแลประถากษ์บรุงพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติบํารุงที่เยี่ยมที่เรียกว่าปริญาปริจาริยานุตริยะ การล่วงเกินต่อพระหันมีโทษถึง อ, น, อนันตรดชกรรมการฆ่าพระหันมีโทษถึงอนันตเดชกรรมการฆ่าพ่อแม่ก็มีโทษถึงอนันตเดชกรรมเพราะงัการบูชาพระหันมีผลที่เกื้อกูลทั้งในโลกปัจจุบันในภายภาคหน้ า, าการเลี้ยงดูพ่อแม่บูชาพ่อแม่ก็มีผลเกื้อกูลทั้งชาตินี้และชาติหน้าบูชาเจ้าทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่า บุคคลเหล่านั้นเป็นที่ยกต้องสรรเสริญของสรรัตว์ุษทั้งหลายในโลกนี้และจะรื่นเริงบันเทิงในโลกสวรรค์ด้วยการบูชาพรมบุรพาจารย์และอนุญยะภายในบ้านของตนดังกล่าวสำหรับ น, นี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาในทอนนี้ยุตินี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณาธิการทุกท่านเกิน